เพื่อให้เหมาะกับฐานพื้นความรู้เดิมของพวกเรานะดยทำร ด, ดับทำวิจัยซึ่งเราจะต้องไน้นำไปใช้ทั้งตัวเด็กและผู้อื่นและประการแรกก็อยากจะให้ข้อมูลเป็นหลักเอาไว้จึงแบ่งผู้ทำวิจัยไว้3มกลุ่มนะกลุ่มแรกก็มีศรัทธาความเพียรสูงหน่อยหนึ่งก็มีอยู่ห้าหท่านนะแลกลุ่มปานกลางก็มีอยู่10กว่าท่าน แต่กลุ่มหลังสุดของคุณเมยเนี่ยหลวงพ่ออยากจะได้ชื่อจริงนาะมสกุลยริงนะที่ใช้ดินสอคนไหนเอานีไปเขียนใหม่ <c oughs> ก็ดูควอนแปลงเป็นกลุ่มตามความตั้งใจนะความตั้งใจแล้วก็ แรกนี้แค่มีคุณชมพูนุชคุณปานใจคุณสุพชัยแล้วก็คุณอชัชลาคุณครูใหม่กมุลชนกชุดแรกนี้ก่อนเนาะ พอทั้งห้าท่าน ท, ท, ที่มาเกี่ยวออกม า, าหน้าข้างหน้านี้ได้ไหมคุณชมพูนุชคุณปันใจคุณสุภชัยคุณอัชารา ก็ห uh, um. ู่ใหม่ประมูลเชลุกอะวนอ๋อหนังห <In. S 1> ันน้าท okay. ั้งนั้นแค่มห้าคนหกคนทั้นั้นสองนี้สามห้าคนเนาะอันหน้าเขาหากันเออหนี้สามหน้าประดิงก็เป็นการวงสมนาเล็กๆเนี่ย ยังไม่ได้ส่งกลางขงบนคุณครูอ้อมกับครูอ้นกลับไปแล้วใช่มั้ยลไ่มในการพูดคุยสำนักหลวงพ่อจะใช้ไม้ตัวนั้นด้วยนะเอฟเธอเอาไว้นั่นนะ่ะ ก็ประเด็นที่หลวงพ่อตั้งประเด็นไว้้็คงจะคุณจำได้นะเบ่งต้นนี้จะให้คุณปันใจก่อนเนาะคุณปันใจคุณปันใจนำเสนออีกทีหนึ่งเถอะเก็บรายละเอียดได้เยอะมาก ตามไปเพืองเธอจำได้ไหมที่เขียนข้างบนเนี่ยเฉยเลย อยากทําสิ่งดีๆเนี่สิ่งที่เราตั้งใจไว้สําเร็จนะคะเพราะว่ามันเรามีความสุขที่เราจะทำํำฉะนั้นพอเรามีความสุขเราก็าสามารถที่จะเป็มันจะเป็นแรงที่ให้เราสามารถทําสิ่งนั้นได้สำเร็จรู้ลกวงนะคะขอที่สองส่วนสุขเวทนาที่มันเป็นโทษเนี่ยก็คือพอเรามีความสุขแล้วใช่ไหมคะ มันก็จะทำให้เราติดแล้วบางทีเนี่ยบางทีเราก็เหมือนเราอาจจะหลงเพลิไปกับมันได้อะค่ะมันก็ทำให้เรามีความอยากมีความจะต้องหาอะไรไปไม่สิ้นสุดนะ่ะเราก็จะเหนื่อยอะ่ะเพราะว่าพอเราอยากได้พอเรามีความสุขแล้วเราก็จะอยากได้อยากมีอยา ก, ยากเป็นอยากอะไรเนี่ยมันก็จะต่อไปทำให้เรารู้สึกว่ามันก็ เป็นโทษการถ้าเราลงไปเราก็ิเสพติมนะคะเรเรียกว่าเสพได้ไห ม, มสุขเวทนาเป็นโทษในกรณีที่กรณีดกรณีใดบ้างนะอะเป็นเป็นโทษในกรณีใดบ้างก็คือเป็นโทษถ้าในทางปฏิบัติใช่ไหมคะมก็จะ ท, ทําให้เราเพลินนะคะ พอเราเพลิแล้วเราก็จะลืมแล้วเราก็จะไปคิดปรุงซ่านแล้วบางทีเราอาจจะอยากได้แล้วเราก็จะตั้งใจมาแล้วเราก็ทําให้มันความที่มันจะได้โดยธรรมดามันก็ไม่ได้เพราะเราไปเสี ย, ยกล้องไปไปตั้งใจอยากจะเอา ม, านานมานาันนหน้าน้าอืมะนี่ตัวอย่างประกอบของโทษ น, นะคะ ให้คุณที่เป็นคุณตัวอย่างของคุณในทางปฏิบัตินะค ะ, ะในทางปฏิบัติก็คือพอเราเราทําได้เราเราไปยืนอย่างอย่างตัวเองเนะะี่ยค่ะคือวันนี้ยก็รู้สึกว่าเวลาที่ปฏิบัติเนี่ยไม่นานผิดกับตอนเชา้าคือเมื่อเช้าเนี่ยก็มองนาฬิกาตลอดว่าเมื่อไหร่มจะหมดเวลาปฏิบัติแต่ว่าพอตอนตอนบ่าย น, นะคะ มาหาที่เหมาะของตัวเองได้แล้วก็ได้คุณค่าที่เรารู้สึกว่าเรามีความสุขเราพอใจแล้วค่ะเราก็สามารถทํากับมันได้จนจนเราไม่รู้สึกว่าเวลามันอะไรนี่หมดแล้วอะไรเงี้ยค่ะมันก็ทําให้เรามันก็จะเป็นตัวที่ทําให้เราอยากทําแล้วเราก็ทําตั้งใจอยู่กับมันได้อ่ะค่ะนี่คุณยกตัวอย่างมาในเพเปอร์ว่าเด็กนักเรียนใช่ไหม อันนั้นสําหรับคนทั่วไปอะค่ะถ้าถ้าถ้าไปใช้ในในเด็กๆอะค่ะถ้าสมมุติเด็กเขาทํางานดีเขาเรียนเก่งเขามีแล้วเราให้คําชมหรือผู้ใหญ่ให้คำชื่นชมอะค่ะเขาก็จะมีความสุขใช่ไหมคะพอเขามีความสุขเขาก็อยากที่จะมันก็จะเป็นแรงขับให้เขาอยากอยากเรียนอยากใฝ่รู้อยากตั้งใจเรียนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ในทางที่ดีนะคะแต่ถ้าในทางที่ เป็นปนะทุกข์เนี่ยมันก็จะทําให้เราสมมตว่าเราทํางานอย่างเงี้ยค่ะแล้วเร า, เร า, าตัวอย่างแล้วเราก็คงคือเราก็จะทําให้เราไม่พอเราก็จะต้องดินน้นรนอยากได้อยากมีความสุขต่ไปทุกมีมีกระเป๋าใบนึงแล้วก็ไม่พออยากได้อกดีกอยากได้มันก็จะอยากไปเรื่อยค่ะถ้าถ้าเป็นโทษค่ะ <c oughs> เวลานอนนี่รู้สึกสบายแล้วไปตื่นสายได้ตื่นเช้าได้นะเออใช่ค่ะเวลานอนสมมติถาเราถ้าเป็นโทษในในการทํางานของเราเนี่ยถ้าเราตื่สบายตืความสุขเราก็จะนอนไม่อยากตื่นใช่ไหมคะสมมติว่าเราจะมีประชุมเนี่ยเราก็ปฏิการตั้งนาฬิกาปลุกเราก็นอนต่ออันนี้ก็เป็นตัวเองก็เป็นนะคะนอนต่อก็พอสายสายก็โลกก็ตันหู หูตาเหลือก็รีบรี บ, ร บ, รบทําอะไรแล้วก็รีบรีบไปทีไปช้าก็าอาจจะโดนตําหนิดได้หรืออาจจะเกิด อ, อาากกุบัติเหตุได้นันก็เป็นโทษเพราะว่าเราไปหลงกับความสุดทางตอนนั้นแต่ว่าเราจะจะต่อเวลานอนอีกสักนิดหนึ่ง<ช>หรือไม่เล็กสิบนาที20่นาทีนะ<ช>แต่ความทุกข์ที่ได้จากมันก็คือหนึ่งต้องรีบเร่งไปขึ้นรถ<ช>สองเข้าที่ประชุมไม่ทันเวลา สิ่งโทษมากกว่าเยอะเลยกับคุณเพียงห้านาทีสิบนาทีที่คุณต่อเวลาในการนอนเนี่ยนะแต่เราก็ไม่ค่อยเข็ดกันเท่าไหร่นะไม่ค่อยจําก็ทําเหมือนเดิมนะให้การวิ่งก็คือดกระหอบไม่ทันรถแล้วไม่ทันเวลาแข่งก็เวลาเงือ่อนไหลใครตกเลยนะครับแรกกับนอนที่เราเพียงให้กินเนะนี่ยทีในนนี่ก็ไม่คุ้มกันใช่ไหมทีนี้ทุกเวทนาที่เป็นคุณเป็นไงบ้างทุกเวทนาที่เป็นคุณมันก็ทํา ให้เรารู้อะค่ะว่ามันก็เป็นการถ้าในทางปฏิบัติมันก็เตือนให้เรามันเป็นตัวที่ให้เราสับได้อะค่ะว่าว่าตอนนี้เรามีอาการอะไรเราตามรู้มันได้มันก็เป็นเป็นซึมแล้วก็มันมีมันแสดงความรู้สึกเพราะนั้นเราก็จะจับมันได้ง่ายอะค่ะถ้าในทางเช่ในในคลีที่สอบเนี่ยนะทั้งนอนดึกทั้งต้องอ่านหนังสือเยอะใช่ไหมเพื่อได้สอบทุกใช่ไหม ทุกแบบนี้เป็นคุณไหมก็ไม่ไม่เป็นเอ้าทำไมไม่เป็นทําให้เราสอบได้สอบได้คะแนนดีก็ต้องอดหลับอดนอนขยันอ่านหนังสือเนี่ทุกเวทนาใช่ไหมแต่ผลออกมาทําให้เรางานเราดีลักษณะในทุกขนาดทุกเวทนาที่เป็นคุณเพราะงานส่วนใหญ่ที่เรียนหนังสือเนี่ยใช่ไหมเวลาจะสอบต้องดูหนังสือหับมือห้องขาไม่มีความสุขเลยแต่เราก็ทน อันนี้ทุกเวร น, นาที่เป็นคุณ<ม>ใช่ไหมแล้วเราทนทำงานตลอดทั้งวันเพื่อที่จะได้ค่าตอบแทนที่ดีเจ้าหนายชอบอนนงานเราก็ถูกคัดเลือกว่าเป็นผู้ทำงานดีเด่นเด่น<ม> แ, แล้วก็ทุกเกือบตายอันนี้คือทุกที่เป็นคุณทำให้เราเออมีอยู่มีกินทำให้ได้รับการชมการทำงานคุณภาพคุณสมบัติที่มน ถุงเท่าถามันขาดก็เป็นคุยก็เป็นคุ้นเราก็ทก็ถูกต่เวลาลดน้ำหนักนี่ลาบากไหลำบากเป็นคุณได้ไมเป็นได้คุ<ด>้มภาพ ก, ก็ดีคุาพก็ดีทไมไม่ทาจะพยายามทำต่อไปใช่ไหมอ่าทีนี้ทุกขเวทนาที่เป็นโทษอ่ะทุกขเวทนาที่เป็นโทษมันก็ทำให้เราเบื่อหนอ่ายท้อแท้เพราะว่ามัน มันไม่ได้มีความสุขอะค่ะมันก็ทาให้เราไม่อยากมันก็จะทำให้เราไม่อยากทำอะไรอาจจะขี้เกียจอาจจะไม่อาอเผลอๆบาทีเราก็ฟุ้งซ่านได้ถ้าในทางปฏิบัตินะคะถ้าเราไม่ไม่ไม่กำหนดอยู่ประมาณแล้วเราไปท้อแท้ตามมาพอเราเราพู่นวายแต่ันหรือเราเผลอความคิดมันก็จะมาในกรณีที่เราเดินทางผิด เราขยันเดินทางมากทั่นคือทุกแต่ว่าพอไปถึงปลายทางแล้วมันไม่ใช่เป้าหมายที่เราต้องการทุกขเยทนานี้เกิดจากอะไรนี่เราเรียนมาทั้งปีเคยสอบตกเงี้ยนะเราเรียนทั้งปีเป็นทุกมากนะไปสอบตกอีกท่างหาทุกขเยทนานี้เป็นเป็นคุณหรือเป็นโทษก็มันก็เป็นบทเรียนที่เราได้นคะคะ ไช้แต่แเราก็ไม่ห้เราเสียใจนะสอบจ<ต>กเรียนมาทั้งปีสอบไม่ผ่านอีกในกรณีทุกเวทนาที่มีโทษเพราะเราขาดอะไรขาดสติขาดโยนิขาดการขาดการพิจารณาขาดปัญญานะเพราะฉะนั้นเราก็มีการตรวจสอบาอาการความรอบคอบอะไรต่างๆทั้งทงี่เราขยันเรียนก็จริงแต่ว่าความเข้าใจเราไม่ดีพอการจัดการอะไรต่างๆนะแล้วก็ อย่างทุกเวทนาที่เป็นคุณนะทุกเวทนาที่เป็นคุณอีกสักตัวอย่างนึงเรามาปฏิบัติเนี่ยสบายหรือไม่สบายทสบายแือไม่สบายอันนี้ให้ตัวไม่สบายก็ทำให้เราถ้าในทางปฏิบัติก็ทำให้เราเป็นคุณใช่ไหมคะอันนี้เป็นทุกเวทนาที่เป็นคุณตามดูได้ว่าตอนนี้เราเราไปก็เราก็จะไป ไปเท่งแล้วเราต้องอดีาหนัไม่ค่อยต้องทนนัง่งทนยืนทนนอนทั้งๆที่ไม่สบายนะแต่ที่เราก็ทนท น, ทนทุกข์<ร>กแต่ก็มีผลดีทําให้เราได้เรียนรู้ได้เรียนรู้เกิดปัญญาถ้าเราไม่ทุกข์เสก่อนเราก็ไม่รู้ว่าวิธีแก้นะจะทำให้แก่นทุกข์เป็นคุณ น, นี้ในเราสามารถที่จะแปลงความสุขให้เป็นศีลได้ยังไง แปลงความสุขให้เป็นศีลได้ก็คือเราก็พอเรามีความสุขในการปฏิบัติเราก็จะอยากทำมันอย่างต่อเนื่องอะค่ะเราก็มันก็จะติดเนื้อติดตัวเราก็เหมือนเราเรามีศีลที่เราอยากจะทำให้เพื่อให้เราเรียนรู้แล้วเราก็ได้พิจารณาได้เข้าถึงมันจริงๆอะค่ะเราก็ทําให้เราอยากทําต่อเนื่องอยากอยากฝึกอยากปฏิบัติตอยากอะไรเนี้ยค่ะ อย่างเวลาเราอดเข้าเย็นเนทุกไหมก็ตอนมาอยู่บ้านนี้ก็ไม่ทุกค่ะอ๋อแต่ว่าเราอยู่บ้านอยู่บ้านก็มันก็เราก็จะแพ้อะไรน ะ, ะแต่เรายอมไม่ทันได้เพราะเราสาชินแปดใช่ไหมใช่อ๋อเรายอม ม, ม, มีทุกเวทนาหรื อ, อไม่สบายท้องอะไรหิวนั่นนะแต่ก็ยอมทนทุกเพราะว่าเรารักษาเราอยากให้มีตัวเองมีสัจจะมีสีนะี่ไงนะ ทุกวิทนาที่ทำให้เกิดเป็นศีลได้หรือเรามาที่เนี่ยเราไม่ไม่พูดอะไรกับใคร <im itation> เพ้อเจอ้ออะไรกับใครต้องอดทนใช่ไหมเพราะต้องการที่จะรักษาศีลข้อไหน <im itation> จำศีลไม่ได้นะ่ะข้อสามไปข้อสี่เออสีลยังจำไม่ได้เลยเนี่ย <im itation> คือวันนี้ไม่ไม่อยากพูดกับใครเลยเพราะต้องการรักษาศีนะข้อไหนลาบากใจไหมที่เคยพูดแล้วไม่ได้พูดเนี่ยคือดัดนะอืมอะไรยังลังเลอีกเป็นชาวพูดอย่างสีห้าข้อยังไม่ครบเลยเนะี่ยสีห้าข้อยังนับไม่ครบเลยฮเอาที่นี้สมาธิเปลี่ยนเป็นอวามทุกข์เปลี่ยนเป็นสมาธิได้ยังไงก็เปลี่ยนได้ดูเวลาเรา อารย์สอนเวลาเราปฏิบัติใช่ไหมคะเราเจ็บปวดเนยสังขารมันทานํางของมันเราก็พิจารณาพิจารณาไปเราตั้งใจพิจารณามาันพิจารณาไปพิจารณามาเราเราใจเราไปอยู่ตรงนั้นมันก็เกิดสมาธิะคะ่ะแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปพอเรารู้มันก็หายไปะะอย่างน้อยก็ทําให้เราตื่นตัวใจแล้วอยู่กับปัจจุบันได้ <c oughs> ทีนี้ความทุกข์สามารถเปลี่ยนเป็นปัญญาได้อย่างไร ความทุกข์สามารถเปลี่ยนเป็นปัญญาความเป็นกลางนี่อเนี่ยทางการให้รู้ความทุกข์เสียก่อนไหมความทุกข <c oughs> ์ความทุกข์เปลี่ยนเป็นปัญญาอ๋อก็พอเราเราเราก็รู้ว่ามันก็เดี๋ยวพอเรารู้มันมันก็มันก็หายไปเองอ่ะเราก็เราก็เกิดปัญญาว่าเราก็มันก็ไม่ได้มีอะไรที่เราจะต้องไปไปยังไงออาจะหารยไปอีก ไปสำคัญมั่นหมายความทุกว่าเป็นเราเรามันก็เป็นไปตามไปตามตรรกะของมันเราเข้าใจว่าเออความรู้สึกเจ็บปวดเมื่อยเนี้ยมันไม่ใช่เราอย่างงี้นะเราก็ไม่เข้าไปสําคัญมั่นหมายว่าเป็นเราอันเป็นธรรมชาติเราก็ทําใจได้แต่ถ้าไปเข้าใจว่าเป็นเราเรารู้สึกไปไงรทนไม่ได้หงิดดินโลนฟุ้งแต่งฟุ้งซ่านปัญญาก็ไม่เกิดละ แต่พอเราทวนดูมันได้เราพิจารณาตามหลักของใจรักปัญญาก็เกิดถล้วก็ทําให้เราปล่อยวางปัญญากเกิดขึ้นใจสบายเราจะรู้ว่าปัญญามีไม่มีตรงที่ว่าทำให้จิตใจของเราปล่อยวางแล้วสบายไหมถ้ามีปัญญาแต่ว่าจิตใจไม่ปล่อยวางจิตใจไม่สบายก็ถือว่าปัญญาก็ยังไม่เกิดแลนะปัญญานี่เป็นผลนะก็วางได้ไดปัญญากเกิดแล้วทำให้ใจปอดโปร่งเพราะโปรงตกเพราะเกิดปัญญาถ้าไม่เกิดปัญญามันก็จะโปร่งไม่ตกปล่อยวางไม่ลงลักษณะนี้นะ โอเคอันนี้เคสตัวอย่างั้งแรกเลยนะนี่ถ้าหากว่าหุ่นต่อไปก็ในในในป ร, ประมาณนี้แต่ตัวอย่างที่ยกมาอาจจะไม่เหมือนกันตัวอย่างที่ยกมาประกอบแต่ละแต่ละไม่เหมือนกันที่ต่อไปของคุณชุประชัยบ้างอ่อาทำไมให้คุณชุปชัย คุณได้ไปาไปตามนันมจะไมได้คุณเขียนี่งนั้น ไ, ได้ไดว่ า, างไงเพราะว่าคุณของสุขเวทนาทาให้เกิดความสบายเนี่ยมั น, เ ป, นเป็นโทษอย่างไรหมอาคุณเขียนมาได้ไงคุณรงงานไม่ออกอะ่ะ คุณไปหอกใครมาหรือเปล่ า, าเขียนรู้สึกว่าตัวเองเขียนวนไปวนมาอ๋อเลยครับไม่ชัดเจนนะไม่ชัดเจนในในประเด็นเดียวกับคุณปานที่ว่ามาเมื่อกี้คุณเข้าใจได้ใช่ไหมเข้าใจาคุณก็ว่าตามนั้นแหละแต่กรณนของคุณน่าจะมีต่างกับนั้นบ้างงั้นเขาปีเขาบท ด, ด้วยไหม่ขาท่าเออต่างยังไงบ้า ง, า ง, ไ, มงไม่ได้เป็นกังขัยหรือว่าก็วางการไปแล้วก็กําหนดว่าเขาต้องเขียนก็เขียนนั่นแหละ ไม่เขวาว่าไงไม่เข้าใจ <c oughs> <c oughs> คุณเขียนได้เยอะเลยนะสุขเวทนาที่เป็นคุณเป็นโทษในกรณีใดบ้างสุขเวทนาที่เป็นคุณน่จะ สุขจะเกิดคุณได้ก็ต่อเมื่อเรามีสติรับรู้แล้วสติเนี่ยจะช่วยให้ปัญญาทำงานได้ครับปัญญาก็จะเป็นตัวนำพิจารณาว่าไอ้สุขเพเวทนาเนี่ยจะพัฒนาอย่างไรเพื่อให้เกิดสุขที่จิงี่สุขที่ยังยย่งยืนจะพัฒนาอย่างไร อ่าเช่นศิลปินนี่ศิลปินก็ต้องฝึกซ้อมฝึดฝนใ่ไหก่าจะพัฒนาตัวเองได้ต้องขัดเราเช่นนักดนต ร, รีเนี่ยก็จะต้องฝึกซ้อมแทร็กเกล อ, อย่างต่อเนือ่อ กระบวนการนั้นมันก็เกิดทั้งความทุกข์ความทุกข์แต่ถ้าทําได้เนี่ยก็จะเกิดความสุขเกิดขึ้นก็จะเกิดความปิติขึ้นมาแต่ทีเนี้ยการฝึกฝนเนี่ยก็จะมีหลายระดับถ้าหากว่านักดนตรีมีความสุขแค่ในการฝึกฝนแค่ขั้นแรกเนี่ยเขาก็จะภูมิใจแค่นั้นแล้วก็สุขแค่นั้นแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเขาสามารถนําความสุขเนี้ย แล้วก็เป็นกำลังใจแล้วก็สามารถยึดผลต่อยอดอต่อไปก็สุขเข า, เนานได้ทงานมีความคุนและโทษถ้าเว่าตัวผู้สุบผลเนี่ยยึดติดอยู่กับสุขตรงนั้นแล้วเห็นแค่สุขตรงนั้นเห็นว่าสุขนั้นเสร็จละเป็นเร็จไม่คิดจะพิจารณาต่อไ ม, ไม่ผ่านตัวสติแล้วก็ไม่เกิดปัญญาก็จะไม่พัฒนา ในทางยิ่งยิ่งขึ้นไปเราเรามีความสุขกับเสพสุขและเรามีความสุขแต่ว่ามีความพอใจในสุขอันนั้นลักษณะพอใจในสุขอันนั้นเช่นว่าเรามีเงินแค่เนี้ยพอใจแค่นี้นนะสันโดษนี่นะมีเงินก็สักพันหนึ่งแล้วไมก่กระตือร้นแล้วก็พอใจใช้เงินบริหารพันไปเรื่อยๆสบาย แต่เรา่เรามีความสุขใจได้พันหนึ่งเพื่อเราจะได้สองสามี่พันต่อไปสุขลักษณะสองอย่างนี้เป็นคุณหรือเป็นโทษก็ต้นเรามีสติรับรู้แล้วว่าเรามีสุขกับเงินที่ได้มาแต่นี้ก็ต้องเอาปัญญามานจับทีหนึ่งว่าถ้าเราได้เงินมากๆต่อไปเนี่ยเราจะมีความสุขที่ยั่งยืนไหมหรือว่าถ้าเราไม่ได้เงินเนี่ยเราจะเกิดความทุกข์อะไรแล้ว เราจำเป็นที่จะทนอยู่กับความทุกข์นั้นไหมหรือว่าต้องพัฒนาให้มีความสุขมากขึ้นโดยการให้ได้เงินมาเพราะความสุขลักษณะที่เป็นเขาเรียกว่าสันโดษพอใจเท่าที่มีดีๆเท่าที่ได้อันนี้เป็นความสุขเหมือนกันใช่ไหมเป็นความสุขที่นี้แล้วรู้สึกว่าเราได้เห็นเงินได้มาเยอะๆเรามีความสุขอยากได้เยอะกว่านี้ไปเรื่อยๆยิ่งได้เยอะยิ่งมีความสุขความสุขแบบนี้กับความสุขแบบสันโดษต่างกันยังไงอืม ความสุขอย่างที่สองเนี่ยก็ต้องวิ่งหาความสุขเรื่อยๆหาเดบไม่หยุดไม่หย่อนไม่รู้ว่าจะพอเมื่อไหร่มันก็เป็นความสุขที่ไม่จริงเพราะว่าพอสุขในระดับเท่านี้แล้วแต่พบว่าเงินที่หามาได้ก็ยังไม่พออยู่ดีก็ต้องหาเพิ่มทีก็เป็นความทุกข์ขึ้นมาอีกพอทุกข์ก็ต้องหาสุขหาสุขหาสุขแล้วก็หามากขึ้นไป แล้วก็ไม่รู้จักพอเพราะว่าไม่ได้เอาตัวปัญญาม า, มาจับเพราะนั้นความสุขที่ยั่งยืนคือเอาตัวปัญญามาจับก็สามารถจะเป็นความยินดีพอใจสันโดษในสิ่งที่พอใจคือมาได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแต่ก็ไม่ได้ไหมายความว่าสุขเพียงแค่นั้นนะแต่ว่าพอใจในส่วนที่ได้แล้วลักษณะนะั้นเป็นความสุขที่ยั่งยืนหรื ว, ว่าสันโดษ แต่ความสุขที่เกิดจากที่ไม่รู้จักพอมันก็เปลี่ยนมาเป็นความทุกข์แทนที่จะเป็นปัญญาก็เป็นตัณหาใช่ไหมก็มเป็นเหตุแห่งทุกข์ที่ทุกข์เคยทนาน่ะมีโทษยังไงมั่งทุกข์เคยทำงานมีโทษทีอย่างไ ร, งม ร, งไรผมก็จะเขียนในพระนองเดียวกันนะครับเพราะว่าถ้าจะมีทโทษก็เพราะว่าไม่มีสติไม่มีสติแล้วปัญญาก็ไม่เกิดการกระทํา ที่หลังหลังจากรู้ถึงความทุกนั้นน่ะก็จะไม่ได้ใช้ปัญญาการกระทำหลังจากนั้นก็จะกระทำโดยที่ขาดสติเป็นการกระทำที่โง่เขาครับคุณมีตัวอย่างไหมตัวอย่างอืมอืมยตัวอย่างอย่างการชกมวยนี่คุณว่าเป็นสุ่หรือเป็นทุกข์การชกมวยเนี่ยเป็นทุกข์ครับแต่ทำไมเขาชกอะ เพราะว่าเขาได้ชนะแสดงว่าเามีความสุขใช่เขาไปทำงานเป็นทุกเป็นหน้าที่ของเขาเขามีหน้าที่ช่วยเรลือคนนะะต้องต้องืผล้เพื่อที่จะได้ชัยชนะได้ชัยชนะได้ชัยชนะมีความสุขใช่ไหมมีความสุขก็เป็นทุกเวทนาที่มีความสุขตามมาทีหลังย่างยืนไหมก็ย่งยืนเอาวันหนึ่งเขาต้องแพ้ทาไมแพเขาต้องมีสติเขารูว่าเขาแพ้ เอานักมวยคนนั้นมันปฏนิบัติไมปรสนานะนมวยคนนั้นถ้ามันปฏิบัติด้วยปัสนาผมคงไม่ชกมวยแน่วันนี้เขาอาจจะเรียนรู้ทางอื่นเช่นเป็นนักกีฬาก็ต้องรู้แพ้รู้ชนะก็เรียนรู้ธรรมะจากทางอื่นก็หรือมโนถ้ากเขาเห็นว่าการชกมวยเป็นเกมกีฬาแพ้ก็ได้ชนะก็ดีตรงนั้นลักษณะนี้คือทุกแบบมีปัญญาคือยอมรับผลที่เกิดขึ้น ก็เหมือนกับการเล่นกีฬาทุกอย่างก็มีการฝึกซ้อมทุกใช่ไหมครับผมมีความทุกแต่ว่าผลที่ตามมาก็คือมีสุขเป็นผลก็สมควรทุกอย่างเราทํางานหาเินเนี่ยต้องทุกอะกกก่ะตากแดดตากฝนอใช่ไหมไม่แต่เรียนหนังสือเนี่ยหนักหนังสือดูหนังสือหามรุ่งหามค่ำแต่ก็ยอมแต่ว่าะมัามีสุขตามมาทีหลังว่าเมื่อเราได้คะแนนที่ดี ได้ผลตอบแทนที่ดีนะลักษณะที่ว่าเป็นทุกเวลาที่เป็นคุณคือมีผลความสุขตามมาที่หลังถึงแม้ว่าเบื้องต้นจะทุกข์ก็ตามอันนี้แต่ทุกเวลาที่เป็นโทษนึกตัวอย่างออกไหมทุกขเวลานที่เป็นโทษก็ตัวอย่างนักกีฬาเนี่ยมุ่งอยากชนะอย่างเดียวทุกเกือบตายแต่พอแพ้ไปไงทุกอีกหลายเท่าเลยใช่ไหมในทุกเวลาที่เป็นผลเพราะ ไม่ได้หวังว่าเป็นเกมกีฬาแต่หวังแพ้หวังชน ะ, ะ, ะลักษณะนี้คือการตั้งจิตไว้ผิดถือว่ามีปัญญาไหมทุกเวทนาที่มีทุกข์ขุ่นโหนเพราะขาดอะไรขาดสติขาดสติแล้วก็ปัญญามตามนะไปัญญาไม่ตามมานะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะทีนี้ต่อมาในประเด็นหลังสุดจมจำได้ไหม ว่าก็คงจะครบประเด็นนะเอาละคุณสุภาชัยก็โอเคนะจะช่วงระยะเวลาสั้นแต่ก็ได้ใจความาคุณอชาาัชลาคนไหนคุณอชาาัชลาคุณอชาาัชลาตามที่คุณเอาโจทย์มาตั้งเลยดีมากเลยนะสุขวขทนะมีคุณโทษอย่างไร สุขควยธานาแบบพอดีก็ก็จะทำให้เรามีความสุขในการที่จะปฏิบัติมีความสุขที่จะทำงานมีฉันทะอยากจะทำนะคะแล้วก็มีความเพยายามต่อเนื่นองจำ้นภายได้ไม่ต้องจำเอาประสบการณ์ของคุณเองยถ้ามันเข้าใจาในวันนี้ สนุกับการปฏิบัติมากขึ้นแล้วมันก็สนุกกับการเรียนรู้สนุกเวลาเจอความง่วงแล้วจามันได้มันเริ่มเข้าใหม่นะคะก็ก็จะสนุกอยากทําเจอความทุกข์แล้วเห็นเห็นทานเนี่ยค่ะก็ก็จะรู้สึกสนุกแล้วก็อยากทำนันเองสุขเวทนาสุขเวทนาเป็นคุณและเป็นโทษในกรณีใดบ้างถ้าเป็นโทษเนีค่ะก็เห็นจากที่นี่ พอฟังสัพพะจ า, า, จารเราก็มาพิจารณาตัวเองอความสุขที่เกินพอดีเก็จะทํามาให้ให้เราเพลิด เ, เพลินเผลอเลยแล้วก็เคลื่อนไปกับความสุขจนขาดสติแล้วมันก็มักจะขาดเป็นระยะเวลานาเพรเราลืมตัวทําให้เวลาเราปฏิบัติเนี่ยก็มักจะหลุดอยู่บ่อยๆ เราเม่เห็นจากตัวเองเยอะมากเลยเพราะว่าเวลาเราสุข ก, กับธรรมชาติความสวยงามของธรรมชาติเห็นนกบางทีก็มารู้ตัวเองที่ร้องเป็นเพลงแล้วอ เ, เองนะพอเราไปอินไปเสพ ม, มันไปเสพ ม, มันก็คือสุขเกินพอดีคือเข้าไปอินเข้าไปมีอารมณ์ร่วมกับความสุขนั้นคะนันก็เป็นโทษใช่ไหม ความสุขที่เราเข้าไปร่วมไปเสพเป็นโทษแต่ความสุขที่เราไม่เข้าไปเสพแต่เราใช้ให้เป็นเป็นประโยช น, น์ใช้ความสุขให้เป็นประโยชน์มันก็เป็นคุณทุ ก, ทกเวทนามีคุณได้โทษอย่างไรทุกทุกเวทนามีคุณมากเลยเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่ทําให้เราเห็นชัดถ้าเร า, เเ ร, าเรู้รักคำมีความก็จช้าเราเรียนรู้กับมันมีความผันผ่ ก็เพียนไสยย า, ยาแบบพอดีย่นีค่ะก็ก็จะทําให้เราเรียนรู้จากสภาวะจริงที่เกิดขึ้นได้อย่างเวลามีความเจ็บปวดแล้วเราพิจรารณาตามจริงโดยไม่เข้าไปเสกมันก็จะทําให้เราไม่ไม่เจ็บปวดทุรนทุรายกับมันแต่เราเรียนรู้ที่จ ะ, ะเผชิญกับมันคอยสังเกตเราก็จะเกิดปัญญาตามมามเห็นปัญญาที่เกิดขึ้นว่า เดี๋ยวมันมาก็าไปเราควบคุมบังคับไปไม่ได้แต่ความทุกข์ที่เราสามารถควบคุมบังคับเนี่ยในกรณีใดบ้างความทุกข์ที่เราสามารถควบคุม บ, บังคับคิดว่าน่าจะเป็นความทุกข์ที่เกิดจากความเพียนคะือจริงจังทำอะไรแบบตั้งใจมากๆจนเกิดความ เร่งความความตึงแล้วเรามีสติรู้ทานเราก็จะควบคุมมันได้ด้วยการทำอย่างไรต้องสังเกตเห็นให้ทันกันนดิววเวลาควบคุมเปลี่ยนตัวทุกข์ให้เป็นตัวไม่ทุกข์เนะี่ยทำอย่างไรทั้งกายทั้งใจก <c oughs> ็ไม่เข้าไปเสียไม่้าไม่ร่างกายเนี่ยมันไม่ได้รู้กับเราด้วยเลยเสบไม่เสบ เวลวปวดพก็ปวดอย่างะที่นี่จะทำไง ม, มันหายปวดมีหลายหลายสเต็ปอนกานมาถึงจุดที่ปฏิบัติได้ใช่รู้ถูกหรือเปล่าอเคประเดี๋ยว่ะถ้ามันไม่รุนแนงมากก็จะค่อยๆพิจานานไปค่อยาาๆสายเกค่ะสภาพนันก็จะอยู่กับเราไม่นาค่ะหรือถ้าเราโฟกัสอยู่กับการปฏิบัติคือ เก่งเก่งสมาธิมาที่การปฏิบัติที่ที่การเคลื่อนหวนั่นจะผ่านาารตรงนี้มันก็จะเบาบางแล้วมันก็จะหาย เ, เป็เบาบางมันเองโดยที่ไม่ต้องทําอะไรใช่ไหมไม่ได้ทำอะไรแต่แต่บางครั้งก็มีในการทำก็คื อ, อเราทาไงเราทําทำไงสามารถบังคับและควบคุมมันได้ทุกครั้งที่เราต้องการทํำไงตอ น, นนี้คุณนั่งอยู่ใช่ไหมคุณรู้สึกยังไงก็รู้สึกแรงปวดทามีค่ แล้วคุณก็เปลี่ยนไปอีกท่านึ่งดิเปลี่ยนไปอีกท่าหนึ่งดิแรงกดทับยังอยู่ไหมค่ะย้าที่นันนี่มันยังอยู่ไหมควรู้สึกเมื่อกี้ยังอยู่ไหมใช่ลักษณะนี้เราถือว่าเราบังคับมันได้ไหมบังคับได้เพราะอะไรเพราะเปลี่ยนท่าอ่าเปลี่ยนท่าทำไมจึงเปลี่ยนท่าเพราะเห็นไม่ใช่เพราะสังเกตเห็นท่านไม่ใช่เพราะหลวงพ่อบอกไง เธอคิดเอาเยอะเลยเพราะหลวงพ่อให้สติเธอไม่ได้สติีนะอันนี้คือทุกในกรณีที่ควบคุมบังคับได้เพราะได้สติเออตอนนี้ปวดแล้วนะทุกครั้งที่มันเกิดคุณก็เปลี่ยนได้ทุกครั้งคุณไม่ต้องรออะไรทั้งนั้นเลยนั้นเลยแลได้สติแต่คุณไม่ได้สติคุณก็นั่งไปเรื่อยๆก็ปวดนั่นเขาเรียกว่าเป็นควบคุมไม่ได้มันเป็นอนัตตาในกรณีสติแล้วมันเกิดปัญญาก็รู้เอาจะเปลี่ยนเท่านั้นเอง คนฟุกก็หายทันทีนะคุณไปโตไปนั่งเพง่งหรือไปทั่งละลายมันด้วยสมาธิก็ได้ละใช่ไหมเพราะอันนั้นก็ไม่แน่นอนใช่ไหมเวลาไปเพง่งมันจะคลายหรือผ่อนหรือจะหยุดหรือจะสบายขึ้นมาหรือไม่ไม่แน่แต่ทุกครั้งที่กุเปลี่ยนท่ารู้สึกหนักเนี่ยแน่นอนมันจะต้องผ่อนคลายใช่ไหมนี่เราใช้สติปัญญาไม่ต้องใช้สมาธิเข้าใจไหมโอเคอ่าทีนี้อีกกรณีหนึ่งน่าจะอ่าของ ว่าคุณคุณคุณสามารถจะเปลี่ยนแปลงความสุขเนี่ยให้เป็นสีลได้ไงถ้ามีความสุขอย่างปกติพอพอดีก็จะเป็นการารักษาสีไปในตัวนัคะแต่ถ้าเรามีความสุขแบบเกินพอดีก็จะผิดสีอย่างเช่นถ้าถ้าเรามีความสุขกับการลิ้นลด เกินพอดีก็จะคิดฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็จะผิดสินข้อหนึ่งหรือถ้ามีความสุขเกินพอดีอยากได้อย่างน้นอย่างนี้ก็จะคิดที่จะไปล่วงละเมินทรัพย์ของคนอื่นหรือถ้าเห็นชายหนุ่มรูปงามหรือผู้หญิงสวยแล้วเกิดความพึงพอใจเกินพอดีก็จะผิดสิ่งข้อสามค่ะก็คือถ้าเรามีความสุขที่มีสติกำกับ อย่างพอดีก็จะทำให้เรารักษาสิ่นี้นี่คำว่าพอดีนี่จะวัดได้ไงว่าเราพอดีก็ไม่ละเมิดสิ่งอืมนั่นเองแล้วรู้สึกว่ามีความสุขแต่พอดีเนี่ยจะรู้ได้ไงว่าเราจะทำให้มันพอดีได้อย่างไรเอาอะไรเป็นตัววัดไม่เป่นเดน้อยพอดีอืมใช่เกือบถูกแล้ว ตนเองได้ไม่เดียดร้อนด้วยอไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นถือว่าพอดนะีถ้าการรักษานนั้นเป็นการเบียดเบียนตันเองผู้อื่นถือว่าไม่พอดีละเข้าใจนะตัดสินได้ว่าไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นอการเปลี่ยนความทุกข์ให้เป็นสมาธิทําได้อย่างไรก็ขวัที่คือถ้าปฏิบัติอย่างเช่นถ้าเรามีความทุกข์แล้วเราพิจารณา เราตั้งมั่นอยู่กับมันในในระยะหนึ่งโดยที่เราไม่ไปเสดจของมันก็จะทําให้เรามีสมาธิแล้วถ้าพิจารณาจนเห็ น, นความจริงก็จะเกิดปัญญาตามมา่างๆเป็นอะไรอย่างไงี้ยเกิดปัญทุกถ้าไม่เกิดปัญญานะ <c oughs> พิจารณาความจริงหมายถึงพิจารณาอะไรเอ่ยอืมเช่นเวลาเจ็บถ้าเป็นความทุกข์จากการปฏิบัติอะไรหนึถ้าเราเจ็บเราเมื่อย เราก็ลองพิจารณาดูถ้ากำลังเราไหวมันก็มันก็จะเกิดการโฟกัสอะไรบางอย่างแล้วก็เป็นสมาธิขึ้นมาจิตเราก็ไปมั่นอยู่กับสีเดียวก็คือความทุกข์อันนั้นอืมในกรณีนี้ที่เราลองทํางานอยู่แล้วก็ทุกข์กับกับารใช่ไหมความทุกข์ที่เกิดกับงานอย่างนั้นจะ ท, ทำให้เกิดปัญญาได้ไหม ความุกกิเดจากการทํางานเช็ดนะคุณนั่งทํางานทั้งวันอย่างงี้ยนะปวดเมื่อยปวดหลังเยอะไปก็ไม่ได้งานไม่เสร็จอะ่ะที่ทําให้มันเกิดปัญญาได้ไหมทำได้ทำไงก็อยู่กับการวางใจของเราว่าว่าเราเรียนรู้กับความทุกข์นั้นยังไงขณะที่เราตั้งใจทํางานทําจนดึกจนดื่นเงี้ยเราก็กาลังเรียนรู้ในในขณะที่เราทำํำงาน แกว่าระวังใจได้แต่เราก็ยังไม่สบายรู้สึกไม่สบายในการทํางานเช่นนั่งปวดหลังปวดเอวตอาผ้าตาโม่เนาะคอมนานๆร้อนด้วยเนี่ยลักษณะที่ทําใจได้แต่ใจแต่ร่างกายไม่สบายเนี่ยถือว่าเป็นปัญญาไหมก็ก็อาจจะไม่เป็นปัญญาในกรณีที่มันเป็นปัญญา เ, เป็นเดือดร้อนตัวเองเดือดร้อนตัวเองใช่ไหมงานอาจจะได้ให้แก่เจ้านายแต่เดือดร้อนเองเดืเอดร้อน ก็ถือว่าไม่เป็นปัญญาทีนี้จะทําให้เกิดปัญญาได้ไหมใช่ทํางทไงก็หาวิธีพิจารณาว่าทํายังไงให้งานมันเสร็จง่ายและเร็วกว่าเดิมง่ายและเร็วกว่าเดิมหาวิธีแก้ปัญหาในการทํางานให้สั้นกระชับบรรลุเป้าหมายส่งงานอืมพอ่น่าได้ถ้าคุณนั่งแช่เนะ้อคอมสักสามชั่วโมงห้าชั่วโมงได้ไหวไหมไม่ไหวสั้ร่างกายแย่เลยเนาะแต่ทำไงให้มันสบายก็เปลี่ยนวิธี เพื่อนคำว่าเปลี่ยนวิธีเนี่ยสนใจอยู่แต่คุณทำยังไงเปลี่ยนวิธีจัดนั่งหน้าคอมหล้วก็หรือว่าคือนยยกตัวอย่างอื่นได้ไหมได้ได้เอ้ลองลองดูก็อย่างเช่นเวลาเราทำงานอันี้สถานการณ์จริงแล้วสบายที่ทำงานเนี่ย เราเรามีเป้าหมายบางอย่างที่จะทำกิจกรรมกับเด็กแต่ว่าอ า, อาจจะไม่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่เี้ยเราก็จะวางใจว่าเออมันตรงเลยจัะกำลังคิดว่ามีปัญหาอะไรที่ทำงานที่ที่ที่ได้เคียงกับที่พอาจารย์บอกแต่ว่า จะหลือว่าคอนเซปท์ท like so you know. ี so mixed, right? uh ่ทำให้เก okay. ิดปัญญานั้นได้ป่อกตัวแล้วไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นงานก็ได้กายแล้วก็สบายใจแล้วก็สบายกเแบบนึ้นเียดแล้วกลินแบบหนึ่งก็แค่นั้นเองใช่ไหมนั้นเององค์พต้องการคำตอบคำนี้แต่เธอก็นึกไม่ออกสะทีอ้อมภาษาอ้อมไปอ้อมมานะปกติไม่คอยทำาหน้าของตัวยงอื่น่ะถ้าสมมติเอาเธอ สอนเด็กนะ ต, ตามนั้นในวิธีการของเราแต่ผู้ลูกพี่เราหรือเหนือกว่าเราไม่ก็เห็นด้วยในวิธีนี้นะเราจะทํำยังไงว่าถึงจะสิ่งที่เราต้องการเนะี่ยเด็กก็ได้ประโยชน์แล้วก็สิ่งที่เรานําเสนอก็ดีแต่เขายังไม่เข้าใจเราจะทำยังไงถ้าเราทําไปก็ปิดใจกันถ้าเราไม่ทําเด็กก็เสียประโยชน์ตรงนี้จะใช้ปัญญาแลใช่ไหมอันนี้ต้องไปพิจารณานะเพราะมันเกี่ยวความจริง ถ้าทำความเป็นกลางเนี่ยอทุกข์ม่สุขคือไม่สุขไม่ทุกข์เนีย่ยถ้าไม่เกิดเป็นปัญญาได้ยอย่างไรไม่สุขไม่ทุกข์เราวางใจ ก, กลางไม่ใช่ ว, วางใจกลางเลยต้องพลิกท่า น, นั่งอีกทีทสิก่อนที่จะพลิกจะรู้สึกไงรู้สึกก่อนที่จะพลิกเหร อ, อรู้สึกมีแรงกดทับรงนหนักเจ็บหน่อยใช่ไหม เราเปลี่ยนแล้วตอนนี้แรงนั้นหายไปไหมมันหายไปช่วงไหนเธอทันดูลไหมหายไปตอนลุบนั่นสิลุบเราเห็นมันไม่ว่ามันความเชื่อมต่อระหว่างไอความเจ็บตรงนั้นอะแล้วก็ก่อนที่เจ็บมันหายไปมันมันหายไปตอนไหนฮะตอนขยับไปเอค่อยให้หายเห็นต่อเนื่องไหมหรือว่ามันมารู้อะไรมันหายไปแล้วอนาแสดงไม่ทันตอนที่มันกําลังจะเป็นตัวนั้นอะเชื่อมต่อระหว่าง สบายไม่สบายสุขทุกถ้าทานตุกนั้นทุกครั้งปัญญาก็ไวขึ้นมันทุกครั้งเวลาเปลี่ยนอีบทตร้องสังเกตตรง น, นั้นให้ชัดเจนนะเราก็จะง่ายขึ้นโอเคขอบคุณต้อไปคุณชมพูนุชคนไหนอาชมพูนุอชอาชมพูนุชจำประเด็นได้ไหมสุเวทานานมีคุณมีโทษอย่างไรจำได้นะ จําได้นะเดี๋ยวเคงว่าไปดูว่ามันมีคุณมีโทษอย่างไรบ้างสุพคฤหิชนะให้คุณให้โทษอย่างไรรู้สึกจะไม่ได้เขียนในแง่ของให้คุณเลยเพราะว่ายังมองไม่เห็นถ้าเกิดเรามีสุดคฤหิชนะที่มากเกินไปนะค ะ, ะ, ะแต่ว่าจะให้โทษในแง่ของสมมุติว่าถ้าเราอยากจะเป็นคนมีสูงว่าเป็นผู้หญิงที่สวยอย่างเงี้ยค่ะ ชอบแต่งตัวชอบซื้อของแบรนด์เนมชอบของใหม่ๆตลอดเวลาอานี้ค่ะแล้วก็เอามาปนเออตัวเองเนี่ยค่ะมันก็จะให้โทษอาจจะถ้าเกิดเป็นผู้หญิงที่ไม่ได้มีฐานระร่ำรวยมากก็อาจจะต้องใช้วิธีการไปหาเงินนะคะทำทุกวิธีทางแล้วก็จะส่งผลถึงว่าแต่งตัวสวยงามมากนะคะอาจจะมีผู้ชายมาติดก็รอก็ติดอะไรอย่างนี้ค่ะอาจจะเป็นผู้ชายที่มีเมียแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะก็อาจจะทําให้ผิดสินข้อที่3ได้ อันนี้ในลักษณะเป็นโทษนะใช่ไหม<ะ>สุขเวทนาที่เป็นโทษคือหมายถึงว่าเราไปติดใจแล้วก็พยายามที่จะทำในสิ่งที่เราต้องการอาจจะผีดศีลผีทธรรได้แต่ทีนี้ว่าถ้าเป็นสุขเวทนามีโทษอย่างที่ว่าเราไปติดเนาะมีโทษอย่างไรมีคุณนะในส่วนที่มีคุณ ก็เมื่อกี้ที่ฟังสัมมน า, าก็เริ่มงองมองเห็นจากตัวเองนะคะนะ่ะ ไ, ไม่แน่ใจว่าจะเป็นคุณหรือเปล่าแต่ว่าจากการที่ปฏิบัติจากเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานนี่ความทุกข์เยอะมากค่ะแต่ว่าวันนี้นี่มีความตั้งใจแต่เช้าเลยว่าอย า, านะี่รู้ว่า น, นี้เป็นคินเดเหรอหรือเปล่านะเจคะนะอยากจะตั้งใจทําแล้วก็อยากจะจับให้เห็นเห็นตัวทุกข์แท้จริงแล้วก็ จะพยายามเรียนรู้กับมันนะคะก็จนตั้งเป้าแล้ววันนี้ก็ก็คิดว่าทําได้แต่ว่ามันก็ไม่ไม่ใช่สุขซะทีเดียวแต่ว่าเป็นการตั้งเป้าที่ที่เอาชนะใจตัวเองได้ใช่ไหมทีนี้ระหว่างคําว่าสุขและทุกขเนี่ยมันกินขอบเขตแค่ไหนเพราะว่าเราบอกไว้ก่อนนะสุขก็คือมันก็เปลี่ยนเป็นทุกขนันเองนะความสบายก็เปลี่ยนเป็นความไม่สบาย ที่ในกรณีที่ว่าความทุกเนี่ยเป็นลักษณะที่สบายระดับไหนทื่ว่าทุกไม่สบายระดับไหนที่ว่าสบายระดับไหนทื่ว่าสุขไม่สบายระดับไหนทีทวสสนวน่ว่าทุกสุขนี่คือหัวใจมันจะพองโตใช่ไหอือแล้วทุกนี่ใจมันจะเหมือนถูกบีบมัจะขาดคือสุขที่เกินคือมายถึงเราทนไม่ได้ทุกที่เกินคือทนไม่ได้ แต่ถ้าสุกทุกที่เราทนได้คือปกติของมันคือสุขแต่ส่วนใหญ่ถ้าเราทนไม่ได้เราก็จะเสพใช่ไหมถ้าเราไม่เสพหมายคามว่าเราสุกทนได้อยู่อย่างอาหารนะปกติที่มันไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่นัก็ทานได้เรื่อยๆก็เรากินไม่มากเพราะว่ามันมันมันไม่บีบคั้นแต่ถ้าอาหารอร่อยมันบีบคั้นใช่ไหมทําให้เราต้องเสพเยอะๆอันนี้ก็เรียกว่าสุขเกินละก็เป็นโทษทีนี้ทุกเกินเช่นเรานั่งเป็นาน ทนไม่ได้แต่เราก็ต้องอยากจะทนต่อไปทั้งที่ร่างกายมันทนไม่ได้แล้วลักษณะนี้ก็เรียกวเสพทุกข์ ก, ก็เกินก็จะไปทําให้บีบคั้นจิตก็มีผลต่อจิตอะไรก็ตามสุขก็ตามทุกข์นะถ้ามีผลต่อจิตให้เสพทั้งสุขทั้งทุกข์แล้วนั่นแหละเรียกว่ามันเกินแต่สุขทุกข์ทั้งสองอย่างนี้ถ้ามันไ ม, ม่มีผลต่อจิตให้เสพถือว่ามันพอดีไม่เป็นโทษตรงที่ว่ามันไม่ไม่มีผลต่อจิต แต่ถ้ามันมีผลต่อจิตให้ไม่สบายกายไม่สบายใจหรือสบายกายเกินไปสบายใจเกินไปก็มีผลนะทีนี้ต่อมาในกรณีที่สุขที่มันเป็นคุณเป็นโทษในกรณีใดบ้างเนี่ย อ, อ๋อก็อย่างตอนขณะที่นั่งนะคะอย่างวันนี้อะคะอ่ะจริงๆตั้งใจมาทั้งวัน มันจะมีช่วงจังหวะที่เผลอแล้วก็เพลอในการสื่อแวดล้อมเพลินการทําทสร้างจังหวะมันก็ทําให้ไม่มีความที่ปูซ่างเข้ามาสันที่บางครั้งเราเราเป็นคนไปคิดมันเองจ้าค่ะแต่บางครั้งมันมาเองแล้วเราโอเคในกรณีที่เผลอและเผลนสุขทุกมีคุณมีโทษ ต, ตรงนั้นในกรณีถ้าเราไม่เผลอและไม่เผลนสุขทุกนี่ก็ยังไม่เป็นโทษนะ โอเคอ น, นี่ข้าเปล่าทีนี้ประเด็นต่อมาว่าความสุขเปลี่ยนเป็นสีลได้อย่างไรก็ต้องเสกความสุขให้กวี เ, เจ้าค่ะ อ, อย่างสมมติว่าแต่งงานมีครอบครัวแล้วก็ควรจะมีความสุขแล้วก็ยึดมั่นอยู่แต่กับครอบครัวของตัวเองไม่ไม่ไป ไม่ไ ม, ไม่ไปนอกใจรู้นี่นั่นก็จะไม่จะทําให้เราเป็นคนมีสีแล้วก็ไม่ติดสีข้อสามแล้วก็ข้อสี่แล้ค่ะความว่าเราทนต่อสุขต่อทุกอนั้นถึงมันบีบขั้นให้เราต้องคิดต้องทําแต่เราไม่ทําตามมันในกรณีที่มันเปลี่ยนเป็นศีลตรงที่มีความอดทนเราทําจิตให้ปกตินะสมาธิก็เช่นเดียวกันในกรณีที่เราทนต่อสุขต่อทุกได้ โดยที่ตั้งใจที่จะจัดการกับสุขทุกข์ที่มันบีบคั้นเมื่อให้มันเกิดการบีบคั้นขึ้นมาจิตของเราก็เป็นสมาธิแต่เมื่อไรจิตของเราไม่มีสมาธิเราก็จะเข้าไปเสพในที่มันบีบให้เราเป็นมันก็ไปเข้าไปอินในมั น, นลักษณะนั้นจิตก็เสียสมาธิแล้วก็ย่อมจะปรุงแต่งคิดในเรื่องนั้นสมาธิก็เสียไปใช่ไหมในกรณีที่เราโทนดูอาการมเฉยๆโดยที่จิตไม่วันไหวด้วยอาการสุขทุ ก, ทกข์อนั้นจิตก็เป็นสมาธิโดยอัตโนมัติ ะพะธี่กรณีที่ว่าความเป็นกลางถ้าให้เกิดปัญญาได้อย่างไรก็รต้องเรื่องมันเรื่องเราต้องามาพิจารณาว่าเราควรจะคิดมันต่อไปหรือว่าจะปล่อยมันนะเจ้าค่ะเรื่องก็ไม่ไม่สมคเราิดเราก็ต้องปล่อยมันถ้าเราทําอะไรไม่ได้เลยเนอะอืมไม่ชัดหาตัว อ, อย่างประกอบได้ไหมอย่าง เมนูวัสดุหรือเปล่าอืมเราลองดูงานงานที่เราทำบางงานนะคะถ้าสมมติว่าคือมันเป็นมันเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของเราจริงแต่ว่าถ้ามองว่ามันเป็น b u i l d i ที่มันต้องทําร่วมกันเราไม่เราไม่ควรจะต้องเอามันมาเก็บไว้คนเดียวขนาะจะไม่ต้องคิดเราก่อนแค่ก่อนแล้วก็ก็ให้เป็นเป็นเป็นความรับผิดชอบของส่วนรวม เะสุดค่ะก็คือเฉยวางเฉยแต่ว่าไม่ใช่รักจริใงใจเรียปล่อยวางปล่อยวางแล้วว่าทําใจได้ไหมต้องวางใจอ่ะวางใจในในทีมคือไม่หวังให้มันดีหรือไม่ดีแต่วางใจเป็นกลางระยะลักษณะของอาการของใจที่วางใจเป็นกลางเนี่ยถือว่าเป็นตัวกลาง ระวังสุขทุกได้ไหมจะวางตรงไหนมมุติว่าหลวงพ่อถือแก้วเนี่ย <c oughs> หนักใช่ไหม <c oughs> แล้วก็วางทันทีที่วางความเบาก็ปรากฏ <c oughs> ลักษณะความเบาปรากฏนี้ <c oughs> การปล่อยวางเป็นปัญญาได้ไหม <c oughs> พราะมีผลให้เกิดความสบายแต่สินว่ามันเบาขึ้น ถ้ามันยังหนักอยู่ปฏิบัติทำแม่มันหนักอยู่ก็ปัญญาก็ยังไม่เกิดที่ทำงไงให้มันเบาทางกายทั้งใจนั้นปัญญาก็เกิดแต่ทีนี้ดึงพ่อในกรณีที่คุณตั้งขอสังเกตเมื่อกี้ว่าเออคุณชุมพนุชเวลานั่งท่านี้มันหนักพอคุณพลิกเปลี่ยนไปอีกท่านหนึ่งในขณะพลิกเปลี่ยนเนี่ยถ้าเราสังเกตให้ดีนั้นเราจะเห็นว่าความไม่สบายเปลี่ยนเป็นความสบายทีนิดนิดจนกระทั่งเปลี่ยนเป็นความสบายมากขึ้น แล้วเห็นความต่อเนื่องตัวนั้นเรียกว่าเห็นความเป็นกลางตัวนั้นปัญญาก็เกิดตรงนั้นถ้าไม่มีปัญญาไม่เห็นตัวนั้นละเอียดมากใช่ไหมโอเคขอบใจมากครับต่อไปของคุณอีกคุณอีกคนหนึ่งเอาคนนี้ก่อนก็แล้วกันอีสองท่านนะคุณกมูลชนกเป็นไงกมลชนกวันนี้ วันนี้ชพระพาราจากที่ผ่านมาสามวันนะคะหนูรู้สึกว่าวันวันนี้หนูปฏิบัติได้ดีกว่าทุกวันค่ะในช่วงบ่ายแต่ค่ะได้ลงไปอยู่ลาลาค่ะไม่ได้ถูกรบวนด้วยใช่ไหมวันนี้มีสติหลุดอยู่ช่วงท้ายๆค่ะฟักครึ่งชั่วโมงหลังนค่าเพราะเพราะอะไรรู้รู้สึกว่าเราเราล้ามค่ะแต่แต่จริงๆแล้วสองชั่วโมงแรกเนี่ยหนู หนูรู้สึกว่าหนูห น, หนูทำได้หนูหนูไม่ได้แบบเตตั้งใจมากนะแต่ก็ทำมันได้ค่ะไม่ว่าจะทั้งลืมตาแล้วหลับตาไม่ได้แบบหลับตาแล้วเผิดหลับไปอะไรอย่างนี้ไม่มีค่ะวันนี้แต่จากวันอื่นมีค่ะอันนี้ไม่มีนะใช่ขวั น, นี้ไม่มีแสดงพัฒนาขึ้น ใ, uh, ในรายงานทุกคุณเกี่ยวกับเรื่องการ uh, mm hmm. สุขเอาไปทายๆเลยนะ ว่าการเปลี่ยนสุขเวทนาให้เป็นศีลเนี่ยลองทำดูไหมเรื่องสุขใช่ไหมคะมเปลี่ยนสุขให้เป็นศีลหนูว่าศีลศีลหลายๆคนก็มองว่ามันเป็นศีลห้างคอใช่ไหมคะศีลห้างคอมันก็คือเรื่องอยังไงล่ะมันก็เป็นปกติของทุกคนที่เป็นศาสนาพุทธอยู่แล้วใช่ไหมคะ เาฉะนั้นถ้าเราจะมีความสุขกับมันเนี่ยก็แค่เปลี่ยนความสุขให้มันเป็นปกติแค่นั้นเองความสุขให้เป็นปกติเป็นยังไงมองไม่เห็นภาพเลยจำอะไรเลยวะเห็นจนจำไม่ได้เพราะว่าในในการสรุปศินเนี่ยมันว่าสีเลนะสุขคดิิงยันติใช่ไหมเราจะมีความสุขได้ก็เพราะศินสีเลนะโภคะสัมปทา เราจะร่ำรวยได้ก็เพราะศีลศีเลยนั้นที่พูดจริงยันติเราจะเข้าถึงความสงบเย็นเป็นนิพพานได้ก็เพราะศีลน น, นแสดงว่าศีล น, นี่สําคัญมากนะมันทําให้ร่ํารวยด้วยทําให้สุขด้วยทําให้มีศีมีมนิพพานด้วยเนะี่ยที่นี่บอกว่าทําศีลให้ทําสุขให้เป็นศีลจะพ่อสุขให้เป็นศีลได้ไหมทำสุขให้เป็นศีลนะจริงๆนะถ้าเรามันมีความสุขแล้วใช่ไหมค ะ, ะถ้าสุข สุกเนี่ยจริงๆแล้วถ้ามันสุกเกินไปก็ไม่ดีเช่นยังไงมางเช่นยังไงมึงเช่นสมมติว่าวันนี้ใช่ไหมคะเราเรามีมีความสุขมีความสุขในในการรับประทานอาหารนะฮะนะคะถ้าเรามีความสุขมากเกินเกินไปเราก็จะกินมันเกินพอดีใช่ไหมค่ะคือสิเกินพอดีไปไหมวันนี้วันนี้ไม่ไมอแต่วันอื่นเป็นใช่ไหมจัดจัดจัดที่มาที่นี่อะค่ะเอ่อหนูหนูรู้สึกว่าเอ่ออาหารนอะ มันมันมันกไปเพราะฉะนั้นหนูหนูจะไม่ตับเยอะอยู่แล้วเพราะว่าหนูควหนูขาดไม่หมดขาดไม่ได้อ๋อค<า>กลับไปบ้านที่ตกเบิกใช่ <c oughs> ต้องระวังดูนะั้น <c oughs> แต่ความจริงใ น, นจุดนี้ดีแล้วอาหารมันมันไม่กระตุ้นให้เกิดลดชาติมากเ ก, กินไปทําให้เรารักษาตรงเนี้ยทําอาหารให้ปกติทําให้เรามีสีนะ่ะอาหารที่ไม่ลดไม่จัดเกินไปถือว่าอาหารปกติใช่ไหมเป็นกลางเป็นปกติพี่กี้คุณ แต่ที่บอกว่าความสุขที่พอดีมันจะเป็นศีลสมว่าเราอยู่บ้านคุ้มเคิมแล้วอยากจะสุขมากกว่านี้แล้วนึกถึงเพื่อนเออชวนเพื่อนไปเล่นไพ่ดีกว่าโอ้ยสุขมากกว่านี้เลยใช่มให้ชวนเพื่อนชวนเพื่อนไปดูหนังอันนั้นจะม่สุขนะคะถ้าเล่นการพนันเนี่ยหนูว่าเพราะว่าทำไมทไมคนเล่นการพนันหนักเล่นติดกันเลยเกินทปเพามันก็จสงมีความสุขนะอันนั้นถ้าเขาเขางมีความสุขค่ะแต่ถ้าเขาเสียอเออนั่นเห็นไห มันจะได้ว่ามีความสุขก็มาจากความทุกทำให้เป็นทุกนั่นเองจะได้ความสุขแบบนั้นมันมีศินเพราะความสุขที่เปลี่ยนเป็ น, เ ป, นเป็นทุกขเป็นความสุขที่ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นทุกเรียกว่าความสุขที่มีศินสมมติเรานั่งเนี่ยจะให้มันไม่ให้มันทุกก็ได้ทําไงนั่งนานเท่าไหร่ก็ไม่ไม่ไม่ปวดเนี่ยเราทําไงเปลี่ยนทาง เงินท่าเพื่อให้เป็นปกติใช่ไหมแต่ถ้ามันเจ็บหนักแสดงว่ามันผิดปกติแล้วผิดศีลใช่ไหมเพราะมันผิดปกติแล้วเออมันหนักผิดปกติขยับนะมันกลับมาปกติการที่ปกตินี่เองเรียกว่ามีศีลละโดยที่ไม่ต้องไปไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องค่าสัตว์รักทรัพย์พฤตผิดในการไม่ต้องนะเพียงแต่ท่านทาร่างกายจิตใจให้ปกติได้ก็มีศีลละคือศีลแปลว่ามันไม่มีทุกต่อไปแต่มันสมมติเราไปดูหนังฟังเพลงเนี่ยมันก็มีความสุขนะ แต่หลังจากนั้นมันวันไหนไม่ได้ดูหนังฟังเพลงเราอยู่ไม่ได้ละเป็นทุกข์ใช่ไหมอันนั้นเขาเรียกว่าความทุกข์แบบไม่เป็นศีลความทุกข์ที่จะเป็นทุกข์ต่อไปแต่คนเ็าชอบทำแบบนั้นใช่ไหมเพราะอะไรมีมีบ้างค่ะไม่ใช่มีบ้างมีมากทีเดียวนะ <c oughs> เพราะอะไรเพราะอะไรจึงเป็นอย่างนั้นเรื่อ <c oughs> เรื่องว่าความสุขเนี่ยที่เขาไปเสพต่อไปอะ่ะ ให้ม hey, ันสูงมากๆขึ้นไปทําไมถึงคนทําอย่างนั้นทั้งๆที่รู้ว่ามันจะมีผลเป็นทุกข์เรารู้สึกว่าตอนเราเสพมันเรามีความสุขค่ะเรายิ่งอยากรู้ลึ้วว่าเฮ้ยเมื่อเราทําต่อไปแล้วมันจะสูงได้แค่ไหนมันจะสุงได้อีกไหมเราไม่เคยคิดถึงผลเสียเลยว่าผลที่ตามมาคืออะไรใช่ความสุขที่ทําให้ผิดศีลคือสุขที่เราไปเสพมันใช่ไหมถึงแม้เราไม่ผิดศีลห้าศีลแปดแต่ว่ามันก็ศีลทําให้เราจิตเราผิดปกติ เพราะฉะนั้นเราจะเสพสุขเสพที่ไรผิดศีลที่นั้นใช่ไหมมันก็จะศีลในใจก่อนต่อไปก็ศีลกายมันก็ต้องผิดไปด้วยนั่นคือสุขที่เสพทําให้ผิดศีลสุขที่เราไม่ต้องเสพสุขแต่พอนึงเนี้ยเป็นสุขที่เปลี่ยนเป็นศีลอ่าเข้าใจนะโอเคถามเธอแค่นี้พอนะเวลาหมดละเอาขออีกท่านในกลุ่มแรกเนี้ยอ่าคงนี้มาทีหลังนะคุณอ่า มีชื่อหรือเปล่าเนาะนี่ยเลอ๋อคุณดารุณีใช่ไหมอ่าคุณดารุณีเอาไว้คุณดารุณีคุดารุณีเขียนได้จัดได้ดีมากนะเป็นเพเปอร์ที่สมบูรณ์ในแง่ของการทําวิทยานิพนธ์คุณดารุณีลองคอ่านแล้วทั้งหมดในร่างหข้อเนี่ย คุณสรุปคอนเซปเป็นหลักๆในเรื่องที่เหลียงข้อตั้งประเด็นนี้มาโดยที่ไม่ต้องเลี่ยงทีละข้อแล้วคุณก็ไม่ต้องไปดูสรุปเป็นแนวความคิดออกมาเลยเป็นคอนเซปออกมาเลยคุณไม่ต้องดูเพเปอร์ได้ไหมก็ไม่ไม่กี่ระหว่างที่ฟังอาจารย์เพราะคุณมีข้อมูลมาเยอะทั้งสามสี่คนคุณสรุปเป็นหลักได้เลยก็เอาสุขเวทนาก่อนนะคะถ้าเราเห็นรู้ตัวรับรู้แล้วเราปฏิบัติจะพองานมันก็จะเป็นคุณอืม ในขณะเดียวกันถ้าเราอาจจะเห็นหรือไม่เห็นรับรู้หรือแค่ทำเป็นไม่รู้แล้วเราก็เพลินหลงเสพไปกับมันก็จะเป็นโทษกันที อ, อันนี้เป็นเรื่องของสุขเวทนาคนทั่วไปทำไมาจึงทนสุขเวทนาสุขกับทุกข์เนียอันไหนทนได้ยากอันไหนทนได้ง่ายกว่ากันทุกขเวทนาตอนแรเออเดยนี้ถามทุกคนนะระหว่างสุข ควารู้สึกสุขกับความรู้สึกทุกเนี่ยอันัยทนได้ยากอันไหนทนได้ง่ายอันนี้ถามทุกคนเลยนะฮะเชื่พิจารณาหน่อยระหว่างสุขกับทุกเนี่ยอันไหนทนได้ง่ายเนียทนได้ยากสุขทนได้ยากฮะสุขทนได้ยากแต่ในคํำของมันบอกไปว่าทนได้ง่ายนะแต่ลึกๆเรื่องปรากฏว่าทนได้ยากยกตัวอย่างได้ไหมคุณ อ่ดดดาดร์เีความสุ ข, ขออเขาบอกความสุขเนี่ยทนได้ยากลุกตัวอย่างได้ะว่าทาไมถึงโดยยากทนได้ยากแทนที่มันจะทนง่ายๆนะแต่เขาบอกมันทนได้ยากความสุขก็มันต้องราาะมัดระวังว่าเราต้องมให้ปล่อยให้เพินแล้วไปเผื่อเศษมันก็เลยทําให้เป็นการเป็นเรื่องยากอ๋อเพราะว่ามันอดไม่ได้ที่จะเสพใช่ไหมมันทนยากแต่ถ้าสมมุติอาหารอร่อยมากๆกับอาหารไม่อร่อยเนี่ยใช่ไหม อาหารที่ไม่อร่อยนี่ไม่ต้องทนเลยใช่ไหมไม่ต้องทนเลยมันไม่กินอยู่แล้วล่ะแต่อาหารที่มันอร่อยมากๆมันทนได้ยากมากที่จะไม่กินและอดใจไม่ได้นะหรือแม้มกระทั่งเรื่องที่เราสนุกสนานนะโอ้โหวงดนตรีนี่โอ้ดีมากเลยนะต่างคนก็ซื้อบัตรเข้ากันเป็นแสนแต่พอสนุกได้ครึ่งเรื่องได้ยินเสียงปืนตักตักตักตักโห นั่นคือเราไปเสพสุขกับดนตรีใช่ไหมปรากฏว่าตายไปเท่าไหร่งานนี้ที่拉斯เวกัสตายไป60สคนบาดเจ็บอีกหกรอคนงานเดียวเนี่ย น, นะ<ม>เพราะว่าทุกคนต่างอยากไปเสพสุขกับการฟังดนตรีใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่คือโทษของมันก็วันนี้เห็นเข้าไปพาพอดีพรามีวัดที่ที่拉斯เวกัสนะ วัดป่าภูเทยียนถ า, าพระที่วัดไปขอ้อมูลไปสวดงานนี้นะไปสวดที่งานนี้คนตายนั่นคือต่างคนต่างไปอาศัยหาความสุขถ้าคนเหล่านี้ที่นอนอยู่บ้านเขาจะรับได้รับความวิบัติแบบนั้นไห ม, มก็ไม่มีนั่นเะพราะเราไปเสพแทนที่แทนที่เราจะนั่งดูทีวีที่ทบ้านก็ได้ใช่ไหมแต่ว่ามันไม่เหมือนเข้าไปของจริงอ่า เพราะฉะนั้นเองอันนี้ก็ให้เห็นตัวอย่างว่าแม้แต่เราทุกคนที่มีครอบครัวเนี่ยเราก็หลงสุขตัวนั้นใช่ไหมทีนี้เราต้องรับภาระเลี้ยงลูกเลี้ยงปัวเลี้ยงเมียเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลีงง้ยงพี่เลี้ยงน้องไปตลอดชีวิตเลยทีนี้เพียงสุขเพียงนิดเดียวเนี่ยแต่ทําไมเราถดลงทุนทุกขมากขนาดนั้นเป็นความฉลาดหรือความไม่ใช่ก็ไม่รู้นะแต่หลวงพ่อวินไว้ก่อนก็แล้วกันความสุขเพียงนิดเดียวแต่เราทุกทุนทุกทรมานชั่วชีวิตอะ่ะคุ้มไหม ที่เขามีนีแล้วแล้วเขาสุขเขาก็คิดว่าคุ้มเจ้าค่ะคือตัวคุ้มนะตัวว่าเขาสุขเอาเถอะเพราะเขายังไม่รู้จักทุกถ้าเขารู้จักทุกแล้วเขาก็จะพูดอย่างนั้นไม่ได้คนส่วนใหญ่ที่คิดว่าการมีความสุขอยู่กับสิ่งที่มันไม่แน่นอนนี่นะเพราะเขายังไม่รู้จักทุกเพราะนั้นเขาจะก็ต้องเสพสุขที่มันหลอกลวงไปเรื่อยๆนะฉะนั้นอันนี้ก็คุณสรุปอีกทีว่าระหว่าง สุขเวทนาะทุกเวทนาอัุกรมาสุขทั้งสาอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นไตรสิขาได้อย่างไรเปลี่ยนเป็นศีลสมาธิปัญญาได้อย่างไรด้วยคอนเซปต์หลักๆทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งกึง่งสุขกึ่งทุกข์นั่นแหละคือไม่สุขไม่ทุกขนะ์นั่นมันเปลี่ยนเป็นศีลสมาธิปัญญาได้อย่างไรก็การรักษากายให้ปกติ เป็นปกติทางใจทางกายก็ํามาซึ่งสุขเวทนาแล้วก็เกิดศีลเมื่อเรามีศีลแล้วมันก็จะมีสมาธิเราก็เกิดเป็นธัรนียู่ดูคุณสรุปง่ายเกินไปไม่เห็นกระบวนการเลยศีลที่จะนำาให้เกิดความสุขเวทนาที่ทำให้เกิดเป็นศีลเราพูดไปแล้วใช่ไหมความทุกข์ที่จะเป็นให้เป็นสมาธิ แล้วความเป็นกลางทำให้เป็ี่ยนเราพูดกันมาหลายคนเลยแต่ในแง่คอนเซปต์ของคุณเองอ่ะคุณว่าเห็นว่ามันน่าจะง่ายกว่า น, นี้ไหมในการเปลี่ยนหาคำคาํคาเดียวเนี่ยมาความมันพลิกได้ทั้งสามตัวเลยเนี่ยจเจ้าคำไหนดีก็คิดว่าตัวสติน่าจะสำคัญที่สุดนะคะสติรับรู้ไม่พาตัวไปหลง แต่ในช่วงที่เราปฏิบัติที่เนี่ยเราจะเลืนสติใช่ไห ม, ไมคิดว่าเรามีสติตลอดเวลาไห ม, ไมเพราะอะไรเพราะเผลอบ้างแล้วกไม่มีสติต <c oughs> ไม่กรารเผลอเนี่ยเราได้ทำมันขึ้นมาหรือไม่ได้ทำเราไม่ได้เฝ้าระวังไม่ได้เฝ้าระวัง ใช่คือเราเราก็ปล่อยให้เลยตามเลยเพลินไปแล้วก็ไม่ได้มีสติว่าเออมันมันตอนนี้มันมีความสุขมันเยอะไแล้วเดี๋ยวจะง่วงนะะะถ้าเปรียบเทียบการมีสติกับการเผลอถ้าเปรียบเทียบกันว่ามันเป็นเกิดกับดับตัวไหนคนจะเป็นเกิดตัวไหนคนจะเป็นดับฟังอีกครั้งนะนี่ถามทุกคนนะเปรียบเทียบระห ว, ว่างความรู้สึกตัวกับความไม่รู้สึกตัว ตัวไหนเป็นเกิดตัวไหนเป็นดับไม่รู้สึกตัวเกิดความไม่รู้สึกตัวเป็นเกิดความรู้สึกตัวเป็นเป็นดับนันแสดงว่าการเกิดเนี่ยมันระหว่างยากกว่าการดับใช่ไหมแต่ทำไมคนอยากเกิดคนเกิด <c oughs> <c oughs> เอ้ยคนเกิด <c oughs> เอ้ยอยากอยู่กับความสุขถึงให้มันเกิด เขาไม่รู้อะค่ะเออผมมีไะเรีนอีกอันนึงงี่อนที่จะมาถึงตรงนี้ครับ<ช>ังฟังดูปรากฏว่าความสุขความทุกข์เนี่ยมันเหมือนมันเป็นแบบสัมพัสใช่ไหมครับมันไม่ได้เป็นแบบสมบูรณ์ใช่ใชใชครับคือมันไม่มีคือมันแวหวใช่งหมับ อ, อันนี้พะปฏิยัติุคนลเนี่ยจะมีสเกลของความสุขเนี่ย แตกต่างกันแตกต่างกันคือซึ่งซึ่งอันเนี้ถนนยถ้าเป็นมนุษย์ใช่ไหมครับเป็นมนุษย์ขึ้นข้อใหม่เลยการแว่งเนี่ยก็อาจจะก็แบบหนึ่งแต่ถ้าเป็นปูตูชนใช่ไหมครับคือคืออันเนี้ยเป็นเป็นประเด็นเพราะว่ามนุษย์คงไม่ได้อยูอ่ยัวเดียวอมผมว่าประเด็นปัญหาอาจจะไม่ใช่เรื่องของการไป คือคือวันนี้เท่าที่ฟังผมทำแต่ผมไม่ได้ส่งนะครั บ, บผมว่าเปอนการให้ความหมายจากประสบการณ์ตรงคือทั้ง5ข้อเนี่ยมันเป็นการให้ความหมายหมดเลยทั้ง5ข้ อ, อการให้ความหมายนี่ว่าเท่าที่ฟังความหมายมาเนี่ยผมผมผมทักทักเข้าใจได้ระดับเสียงก็สอดพ ร, ร้อมกันผมเพียงว่าไม่ได้ยกตัวอย่างเป็นอดีตยกตัวอย่างพร้อมตอนนี้นั่นเอครนี้แต่ว่าพอเขาคิดในทีนึงพอก็สาวออกไปกุ้มเนี่ผมรู้สึกว่ามีประเด็นหนึงที่ว่าถ้าถ้าความสุขกความทุกมันเป็นสัมพันธ์นะครับ สัมพัสด้วยสัมผัสสัมผัสเป็นลีเลทีฟรอ๋อลีเลทีฟแมันไม่ได้เป็น a b s o l u t ู l y ไม่ได้เป็นสมบูรณ์อย่างนั้นไม่ไ mm ด้ม hmm> ีค่าเดียวเพราะนั้นเนี่ยพอพอมันเป็นสัมผัสเนี่ยผมคิดว่าตัวตัวปัจเจับุคคเนี่ยจะต้องต้องมีความกระหนักนอกจากสติแล้วนะคือสติก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าความตระหนักที่จะรู้ว่าพี่ตรงเนี้ยคือพอพูดใช้คาว่าไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นเนี่ยมันตีความ คนนี้ถ่าดตที่ไม่ไม่ท่าพูดถึงผู้บุตรชนนะครับม น, มนุษย์ในโลกของยามไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าการตีคามมนุษย์กับผุมนุษย์กับปุุ้ชนต่างเลยวะถ้าผู้บุชนที่แบบยังยังไม่ได้มา <c oughs> ยัางไม่เป็นออนิพานีนี่ถือว่าเป็นมนุษย์แล้วนะผมก็ยังผูุ้ชนอยู่นะรว <c oughs> ่าไม่ได้ภานาไม่ได้เจริญสติมากอะ ก็ไม่ไม่ได้รู้หรอกว่าเป็นลบียรเบียนไทยเบียรเบียนตนเองอะไรเงี้ยจำแนกแยกแยกไม่ออกอย่างเงี้ยเนี่ยผมต้องเป็นประเด็นเฉยๆแต่ว่าไม่มีข้อสุดเป็นข้อสังเกตว่า ม, มันมันเป็นแบบสัมพัทธ์ความจริงกฎของไตรลักษณ์นะมันเป็นกฎของสัมพัส์อยู่แล้วเพราะอะไรเพราะความสุขเปลี่ยนเป็นความทุกข์ต่อเนื่องกันเลยนะแล้วความทุกข์มันก็ไปสิ้นสุดของมันแล้วก็ตั้งต้นใหม่ถ้าหากกฎของสัมพัสธ์คือกฎของไตรลักษณ์นั่นเอง แต่ในขณะเดียวกันถ้ากฎของสัมผัสของใตรักเนี่ย <c oughs> มันจะเปลี่ยนไปเป็นใจสิขานี่มันเกิดการสัมผัสหรือว่าเกิดการสร้างขึ้นคือคืออย่างอย่างอย่างเช่นว่าสมมุติเรามีสุกอย่างเนี้ยบอว่าสุขที่พอดีใช่ไหมฮะสุขที่พอดีสุขที่ไม่สุขที่ไม่ไม่จ เ, เป็นทุกข์อ่ะอย่าที่พรอาจารย์พูดอันนี้นคือสีอื ที่ปกติมาสิี่มนก็นเลยย้อนสื่อตอบว่าอ้าวแล้วสุดทพอดีเนี่ยมันแค่ไหนอย่างอย่างที่ยกตัวอย่างเรื่องกระเป๋าจำนวนทีไปเนี่ยถ้าเกิดเขาบอกว่าถ้าเกิดเาเาเน้ยาอเาเองเนี่ยเขาเขาจำแนกเขาเองว่าเนี่ยข า, ามีอย่างเนี้ยเนี่ยก็ก็ไดียดเป็นตัวเองเเเเนน อ, นะอ่ะ้าตัวเอง ก, กนะ็เป็นเป็นเป็นคนดีฐานะอ่าก็ทางานสิทธิเด็กมีฐานะก็ไม่ได้เีดเบีนผู้อื่นนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีความก็กก็มี เขาบ<พ>อกว่าก็อพอดีแล้วใช่ฮะแต่ขนาดเดียวกันคนที่ออ ก, ก็อาจจะมีฐานะเหมือนกันแต่ไปนิยามดีแกลมบอกว่าอยู่แบบ อ, อ, อยู่แบบออสมมติเป็นสุโขทิศทางนึงนนอะ อ, อยู่แบบไม่ใส่รองเท้าอยู่แบบว่าใช้แรบผ้าชุดเดียวชิ้นเดียวอยู่แบบไม่ต้องมีเาเรียกว่าไม่ต้องมีที่อยู่อะไรี่แกลนั่นง เนี่ยเขาก็อบอกว่านเนี่ยเขาก็คือสุขแบบพอดีเหมือนกันเขาก็ไม่ได้เป็นตัวเองไมือเปผู้อรือนกันอันนี้เขาเรียกความสุขแบบสมมติหน่าสมมแต่ความสุขปรามาัดเราเน้นยามไว้ว่าคือการไม่เสพถ้าเขาไปเสพปับ๊บมันก็กลายเป็นสม ม, มติถ้าเราไม่เสพปับ๊บมันก็กลายเป็นตัวสภาวะเพราะฉะนั้นตัวมันมีสองอย่างนะตัวสม ม, มุติกขาตัวปรามาัดแต่เรานิยมเรียกว่าสภาวะดังนั้นถ้าหากว่าใตรักษณเนี่ยเป็นกฎของการเกิดนะ แล้วไตสีขาเป็นกฎของการดับระหว่างไตรละกับไตสีขาเกิดกระดับเนี่ยตัวไหนต้องสร้างมันถึงจะเกิดตัวไหนไม่ต้องสร้างมันก็จะมีอยู่แล้วระหว่างเกิดกระดับกิไม่ต้องสร้างเกิดไม่เออดับต้องสร้า ง, <S <S เ, ง, างเกิดเกิดไม่ต้องสร้างอย่างเราจะเกิดลูกสักคนเนี่ยถ้าเราไม่สร้างเกิดได้ไหมไม่ได้ดิดเออ มันทั้งสร้างเกิดได้ทั้งสร้าง่ความเผลอเนี่ยเป็นการเกิดใช่ไหมทั้งสร้างมันไหมอ๋อเราทำเราทำแล้วมันมันก็เลยมาเหรทผลอเผลอม้เผลอตั้งสร้างหรือไม่สร้างการมีสติตั้งสร้างไหมการมีสติั้งสร้างแต่การเผลอตั้งสร้างไหม เผื่อมันเกิดใช่เผือมันเกิดนั็นเด้นว่าความหมายเชผูกพันนะใช่ไหมเผื่อไม่ต้องสิ่งที่ดับต้องสร้างใช่ไหมสิ่งที่ต้องเกิดเนียไม่ต้องสร้างเกิดไม่ต้องสร้างเกิดคือปล่อยเลยทำเลยใช่ไหนี่ความหมายมันกลับกันนะเพราะฉะนั้น สิ่งนี้อยาก่าให้ไปศึกษาเพราะว่าเราต้องการอยู่กับสิ่งที่เราสร้างขึ้นหรือต้องการอยู่กับสิ่งที่มันมีแล้วโดยธรรมชาติโดยไม่ต้องสร้างถ้าเราอยู่กับสิ่งที่โดยที่ไม่ต้องสร้างเหมือนกับคนป่าคนดง lessons, ใช่ไหมไม่ต้องสร้างแล้วก็อยู่ตามป่าใช่มแต่ถ้าเราต้องสร้างเนี inar, <c> ่ยเราต้องเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนอาหารเปลี่ยนอะไรมาต้องสร้างเกี่ยวหม่อดีผมมีอันนี้อีกมิเดียวครับ ท, ท, ท, ที่ตั้งข้อสังเกตว่ามันเป็นสัมพัสเนี่ยผมเป็นห่วงตรงที่ว่าพอไม่ได้เป็นห่วงคือสังเกตเฉยๆว่าพอพอเห็นการพูดคุยกันเนี่ยคือคือคอพูดคุยกันว่ามันเหมือนมันมีดีหนึ่งดีองดีสามดีสี่อแล้วพออยู่ด้วยกานใหญ่จะให้พระอาจารย์ให้คำแนะนําป็นกรณีอย่างเงี้ยครับมันจะดีถือดีอ่ะมันอย่างเงี้ยครับผมผมเห็นว่าอันเนี้ยเหตุนมีเยอะมีเยอะที่ที่ คือถ้ามันเป็นสังคม ท, ท, ท, ที่ที่มันเป็นสังคมแบบว่ามีความเหมือนกันมากนะฮะอย่างเช่นสังคมชนบทด้วยกันมีความเหมือนกันมาก <S 2> <S 2> <S มันจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่ถ้ากสังคมที่มีความแตกต่างมากแล้วแล้วแ้วด้วยความที่มัแหวนด้วยความที่ว่าไอไอความสุขความทุกข์เนี่ยมันเป็นมันเป็นมันเป็นสัมพัทธ์อะแหวนทุกคนก็มีสิทธิที่จะไปอ่าผมยังไม่ได้เรื่อนถึงถึงถึงปรามัดนะครับเอาแค่ความสุขทางทางทางเทียมเนี่ยนะครับทางโลภะเนี่ยเออเนี่ย สิ่งที่อยากได้ก็คือสิ่งที่อยากจะจะพูดถึงคือว่าเราจะมีคําแนะนํำยังไงจะใช้ตรงนี้จะทำความเข้าใจอย่งไรเพื่อให้เพื่อไม่ให้คนที่ที่ที่จริงๆก็เป็นคนดีนี่แหละแต่จะกลายเป็นปัญหาในในกลุ่มคนอะไรอย่างเงี้ยครับดิ้ีเยอะนะครับผมกลับไปายเปว่าคนที่มีความหลร้ายชั่วร้ายอาจจะกลายเป็ว่าเขาก็อยู่ไปดเขาก็ไม่สนอะไรก็คือทําไปแต่ปรากฏว่คนที่ที่ดีเนี่ยคนที่พยายามจะทําดีเนี่ยกายเปว่ามี ความทุกข์กับคนดีด้วยกันอ่า<ะ>อันนี้เป็นประเด็นครับอันนี้พอขอวิจัยต่อนะพอวิจัยเหลือน้อยละวย ห, หลวพ่อได้พูดมาวันก่อนแล้วว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นกฎของสมมุติอยู่เนี่ยมันก็คือเป็นกฎของแต่ลักษ์ใช่ไหม <S <S 2> <S 2> ในกฎของแตล่ละนั่นเองมันเป็นตัวขัดแย้งของมันเอง มันมีความไม่สมบูรณ์ในตัวของมันเองเราพยายามที่จะทําให้ดีที่สุดขนาดไหนมันก็ไม่ดีเพราะมันมีความขัดแย้งในตัวของมันเองดังนั้นเองเราก็ทนได้ทุกสุขเราต้องทนอยู่กับมันเพราะเราไม่ต้องการพัฒนาตัวเองให้สูงขึ้นไปกว่านั้นใช่ไหมแต่ถ้าเราต้องการที่ไม่อยากจะทนทุกข์อยู่กับภาวะที่สมมุติหรือสังคมที่มันเป็นอยู่อย่างเงี้ยเพราะมันไม่มีความสมบูรณ์ขณะว่าเราทําดีที่สุดแล้วเขายังบอกว่าไม่ดีไอคนนั้นมันไม่ทําอะไรไม่ดีเลยเขาก็ยังบอกว่าดี เพราะมันมันไม่สามารถที่จะคงที่ได้ความไม่คงที่ของมันเมื่อพระเจชาท่านเห็นว่าความสุขที่เกิดจากความสุขที่มันเป็นเทียมหรือความสุขในไตรลักษณ์เนี่ยมันไม่สามารถที่จะให้คงที่ถาวรได้แต่ว่าในเมื่อเราเป็นมนุษย์เรามีาเป็นเพศภูมิที่สูงแล้วเนี่ยเราไม่น่าจะหยุดอยู่แค่ความสุขที่มันเปลี่ยนแปลงเป็นความสุขที่ไม่ยั่งยืนเราต้องการหาความสุขที่ยั่งยืน นั่นคือความสุขไม่ต้องเปลี่ยนแปลงเป็นทุกข์อีกนะไม่ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาให้เป็นสุขยังยืนก็เลยไม่ต้องเสพเพราะฉะนั้นตัวสุขที่ไม่ยังยืนเพราะสุขเกิดจากการเสพเพราะฉะนั้นพระอริชาเท่องเมื่อยินดีในสุขแต่ไม่ต้องเสพมันมีก็คือรู้มันซะมันไม่มีก็แล้วไปมาอยู่กับความที่มันไม่มีมันมีก็รู้มันซะแต่ผู้ดูชนนอะมันมันมีก็เสพมันไม่มีก็หามันใช่ไหม ไม่สามารถจะอยู่เฉยได้ก็หาคนทุกก็เกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นตัวสุขที่มันจะยั่งยืนได้คือมันมีเท่าไหร่สมมุติว่าขนาดนี้ยลมพัดมาเขารู้สึกสบายก็โอเคก็ไม่รู้สึกว่าสุขก็สบายเท่านั้นเองนะแต่ลมผ่านไปเดี๋ยวความอับอ้าวเข้ามาก็รู้สึกทนได้ก็จิตใจก็ไม่ได้ไปวิ่งหาลมมาพัดไม่ไม่ต้องหาพัดลมมาติดไม่ต้องหาแอร์มาติดนะก็พ้พอทนได้พอรู้ส เย็นร้อนมันก็ไม่เที่ยงมันก็เปลี่ยนไปเป็นมาก็ค่อยทนเอาลักษณะนี้เรียกว่าสุขที่ยั่งยืนนะคือยอมรับสภาพตามความเป็นจริงด้วยนั้นท่านเรียกว่าตัวนี้เองความสุขที่เป็นประมัดคือยอมรับสภาพตามความเป็นจริงอยู่ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเพราะร่างกายสังขารเนี่ยมันมาตามกฎของใจรักอยู่แล้วเราจะไปต้องการสุขให้ยั่งยืนมันก็มีอายุของมันเมื่อหมดสภาพของสังขาร น, นี้สูง น, นก็จบ แต่ว่าที่มันไม่จบคือจิตวิญญาณจะไม่แปรปรวนไปตามสังขารอันนี้จิตวิญญาณนั้นก็จะระดับยกระดับให้สูงขึ้นกลายเป็นพลังบริสุทธิ์แต่จิตที่ของเราที่ไปยึดเอาความสุขของสังขารที่แปรแปรเปลี่ยนไปเนี่ยการที่จิตไปยึดแล้วมันเกิดการแปดเปื้อนเกิดขึ้นมันก็เรียกว่ามีเขาเรียกเป็นกิเลสแล้วกิเลสตัวนี้ก็นําให้เกิดการเวียนว่ายตายเกิดนั้นพระอริยเจ้าก็เลยหันมา ศึกษาอะไรมาพัฒนาความสุขที่ยั่งยืนแต่ต้องทนนะต้องทนนั่นก็คือใช่ไครับขันติคุยความอด ท, ทนเนี่ยนะเป็นตัวที่ต้องทําแต่คนทั่วไปที่จะไปทนในระดับนั้นบางทีความทนไม่พอก็ต้องไปยอมรับความสุขเทียมทีม่ต้องเวียว่ายใจเกิดอีกยาวนานเพราะความสุขเทียมมันมันไม่สามารถที่จะเหมือนกับน้ำอ่ะที่มันขี้ตม้มขี้เลนมันทุกขุนน่อใช่ไหมแต่พอมันต้องทนต่อแสงแดด พมันทนแต่แสงแดดไอ้ตัวน้ําขุนคลักเน่าเหม็นอยู่ในที่ต่างมันกัดกล่อนตัวเป็นตัวอายน้ําที่บริสุทธิ์ขึ้นสูงขึ้นไปมันก็ตกมามันก็สะอาดจิตของคนเราเหมือนกันแต่มันขุนคลักอยู่กับกิเลสตัณหาอะไรต่างผู้ดูชนทั่วไปเนี่ยทอมันทนต่อความเพียรเหมือนแสงแดดเผาหล่นเข้าไปจิตนั้นก็ถูกกร่นตัวเป็นจิต ท, ที่สะอาดบริสุทธิ์คือจิต ท, ที่วางเฉยเห็นภาพไหมตรงนี้เองเป็นเป็นลักษณะของเปลี่ยนความสุขที่ ไม่ยั่งยืนให้เป็นความสุขที่ยั่งยืนด้วยการทนต้องทําความเพียรที่เราต้องทนกับเหมือนกับต้นไม้ที่มันเป็นสภาพต่างๆทนต่อแสงพระอาทิตย์ชั้นใดก็ชั้นนั้นเข้าใจนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราวิจัยกันได้เท่านี้พรุ่งนี้ชุดที่สองต่อชุดที่สองนี่เยอะหน่อยนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้อาจจะต้องเริ่มไวหน่อยเพราะว่าชุดที่สองประมาณสักสิบกว่าคนแต่ชุดที่หนึ่งนี่มีประมาณห้าหกท่านนะที่วิจัยกันไป ก็ขออนุญาตาัตรูในการที่ให้ความร่วมมือนในการวิจัยทุกร่วมกันคิดว่าตัวนี้จะทําให้เรามีทางเลือกที่ดีที่สุดเกิดขึ้นการที่เราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดหมายความว่าเราจะต้องรู้ความหมายที่แท้จริงและรู้วิธีการที่จะทําได้เมื่อรู้เป้าหมายรู้วิธีการที่จะทําได้แล้วมนุษย์ทุกคนทําได้แต่ที่ทําไม่ได้เพราะไม่รู้เป้าหมายไม่รู้วิธีการ ดังนั้นเรามาเรียนที่นี่มาเรียนรู้เพื่อไปสู่เป้าหมายและเรียนรู้วิธีการขอให้ท่านทั้งหลายจงช่วยกันพิจิพิจารณาให้เกิดปัญญาสามารถเลือกวิธีการที่จะทำให้พบขบสุขที่ยั่งยืนด้วยกันทุกคนทุกท่านเถื่นอ่ะแล้วก็กลับมาพู ก, กัน